เมื่อเช้านี้ได้กล่าวถึงว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากูสันทานั้นพระโมคขลานะได้เป็นมารนะนะแล้วก็พญามารทุกวันเนี่ยมาราธิราชพญามารทุกวันเนี่ยถือว่าเป็นหลานของพระมหาโมคขลานะ น, นะซึ่งอยากจะให้ฟังสลับบ้างในมาราตตเชนีสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตกล่าวว่า สมัยหนึ่งน่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะมิกรทยายวันในเพศกาลาวันเขตเมืองสงสุมารคิระในพัคชนบทครั้งนั้นพระมหาโมคลานะจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารผู้ลามกเข้าไปในท้องเข้าไปในไสเนะ้เข้าไปเป็นพยาธอยู่ในท้องค้ายแบบนั้นพระมหาโมคลานะก็ได้มีความดําเดจขึ้นมาว่า ท้องของเราเนี่ยนะเป็นเหมือนกับว่าก้อนหินหนักๆเช่นเป็นกับกระทออันเต็มไปด้วยถั่วหมักก็เหมือนกับกระสอบที่ที่หมักถั่วคือคือแปลว่าท้องอืดนั่นเองท้องหนักด้วยอืดด้วยเนี่ยมันเพราะอะไรท่านก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปสู่วิหารนั่งบนอาสนะที่ปูเอาไว้ครั้นแล้วก็ใส่ใจถึงมารที่มีบาปานะมารผู้มีบาปด้วยอุบายอันแยบคายเฉพาะตน สายใจก็เห็นล้อา้าวนี่มารผู้มีบาปมานั่งอยู่ในท้องเนี่ยนี่น่าหนักพระมหาโมคคลานะเห็นมารผู้มีบาปเข้าไปในท้องในไส้แล้วก็เรียกว่าดุก่อนมารผู้มีบาปท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าและอย่าเบียดเบียนสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยการเบียดเบียนนั้นอย่ามีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกแก่ท่านตลอดกาลนานเลย ทั้งนั้นมารผู้มีบาปก็คิดว่าสมณะผู้นี้ไม่รู้และไม่เห็นเราคิดในใจแล้วเขาไม่รู้เราหรอกนะเขพูดไปบ่นไปอย่างนั้นเลยเขาไม่เห็นหรอกว่าเราอยู่ในท้องเขาก็เลยคิดว่าเออก็เลยกล่าวว่าพระโมคคลลานะกล่าวต่อไปว่ามารผู้มีบาปท่านจงออกมาท่านจงออกมาอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าและสาวกของพระตถาคตเจ้าเลย การเบียดเบียนนั้นอย่าได้เป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกแก่ท่านตลอดกาลนานพญามา์ก็ยังคิดต่อไปอีกว่าแม้สมณะที่เป็นาศาสดายังไม่รู้จักเราไวสมณะที่เป็นสาวกจักรู้จักเราเช่นไหนสาวกจะรู้ขนาดพระพุทธเจ้ายังรู้จักเรายากว่า ง, งั้นสาวกจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเราอยู่ในทอ้องก็นั่งแช่ต่อไป พระมหาโมคณะก็บอกมารผู้มีบาปอี ก, ก็ไปว่ามารผู้มีบาปท่านจากานะท่านจากเาข้าไปเรารู้จักท่านแม้ด้วยเหตุนี้แหละท่านอย่าเข้าใจนะว่าสมณะนี้ไม่รู้จักเราท่านเป็นมารท่านมีความคิดว่าสมณะนี้ไม่รู้และไม่เห็นเราก็กล่าวว่ามารผู้มีบาปท่านจงออกมาก็คือพระโมคลานะเล่าให้ฟังทั้งที่คําที่ท่านพูดและความคิดของมารด้วย มารผู้มีบาปก็คิดว่าสมณะนี้รู้จักเราสมณะนี้เห็นเราก็เลยออกจากปากของท่านพระมหาโมกขานะแล้วก็ไปยืนอยู่ที่บานประตูนะออกมาเฉยๆนะยังก็เชื่อโรคชนิดหนึ่งอ่ะนะจึงพยามาเนี่ยเป็นเทพชั้นปารานิ ม, มิตตวสวัสดีเนี่ยนะไม่ไม่น่าคิดทำอะไรที่แปลกประหลาดอะไรขนาดนี้เลยนะแต่อย่าลืมว่ามารผู้มีบาปมีจิตอ่อเรียกว่าโดยปกติมีจิตริษยา คนที่มีจิติษยาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทําไม่ได้ น, นะถ้าหากว่ามีใจอิจฉาริษยาเนี่ยความเลวร้ายเหล่าใดาบ้างที่คนริษยาทําไม่ได้แปลว่าคนริษยาหรือคนหม่นไส้เนี่ยมันสามารถแกล้งบุคคลอื่นโดยประการตั้งปวงเพราะจะไม่คิดอะไรสักอย่างว่าจะชนะได้อย่างไรจะชนะได้อย่างไรที่เหลือแล้วค่อยว่ากันอีกที หลังจากนั้นพระมหาโมคลานะเห็นมารผู้มีบาปยืนอยู่ที่ข้างบานประตูแล้วก็กล่าวว่ามารผู้มีบาปเรานี่เห็นท่านแม้ที่ข้างบานประตูท่านอย่าเข้าใจนะว่าสมณะนี้ไม่เห็นเราท่านยืนอยู่ที่ข้างบานประตูมารผู้มีบาปเรื่องเคยมีมาแล้วเราเป็นมารชื่อว่าทูสีนะชื่อเป็นชื่อทูสีเนี่ยนะอดีตเราก็เคยเป็นมารเรามีน้องสาวชื่อว่ากาลี ท่านเป็นลูกน้องสาวของเรานั้นท่านนั้นได้เป็นหลานชายของเราครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนาว่ากะกุสันทะพระองค์ผู้เป็นพาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์มีคู่พระมหาสาวกชื่อว่าวิทุระและสันชีวะเป็นคู่เจริญเลิศแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยนะมามาผจญพระพุทธเจ้ากกุสันทะก็ใช่ใครที่ไหนใช่ โมฆาราณะเนี่ยนะมันก็คือถ้าเทียบความยืดยาวแห่งสังสารวัฏเนี่ยไอ้คนดีทั้งหลายก็ไม่ใช่ไม่เคยชั่วไอ้คนชั่วทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าอนาคตจะดีไม่ได้นั่นนะแต่ว่าแหมแต่ว่ากว่าจะดีนี่สิเหมือนก็เหมือนกับไฟมันก็ไม่ใช่จะไหม้ตลอดแต่ว่ากว่าจะดับนี่มันก็วอดไปเยอะเหมือนกันเหมือนทีนี้พระโมคาลาณะก็เล่าว่าอดีตเนี่ยนะท่านก็เป็นมาร ในสมัยพระพุทธเจ้ากากุสันทะซึ่งมีอัครส า, าวกอยู่คู่หนึ่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากากุสันทะผู้เป็นพระาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประมาณเท่าใดในพระสาวกมีประมาณเท่านั้นไม่มีองค์ใดที่จะสม่าเสมอด้วยท่านวิทุระในทางธรรมเทศนาะวิทุระธรรมก็คือท่านเป็นเสนาบดีเป็นเช่นกับพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นท่านวิทุระจึงมีนามเกิดว่า วิธุระวิธุระส่วนท่านพระสัญชีวะอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างก็เข้าสัญญาเวดายตานิโรธคือเข้านิโรธสมาบัติดับสัญญาและเวทนาด้วยความลำบากเล็กน้อยแป๊บเดียวก็เข้าได้แหละเนี่ยนะชนาญมากในเรื่องเข้านิโรสมาบัติมานผู้มีบากเรื่องเคยมีมาแล้วท่านสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวดายตานิโรธคือนั่งเข้านิโรธสมาบัติที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่ง พวกคนเลี้ยงโคเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัสญญาเวทายตานิโรธคือนั่งเข้าเนโรสมาบัติอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งก็พากันพูดว่าท่านผู้เจริญนี้น่าประหลาดน่าอัศจรรย์แปลกประหลาดหนอสมณะนี้นั่งทำกาละแล้วพวกเราช่วยกันเผาท่านแล้วกันคือผู้ที่เข้าเนโรสมาบัติเนี่ยนะก็คือไม่มีลมหายใจ อ่ะ น, นะไม่มีจิตแต่อินทรี่ห้าผ่องใสาตาหูตาร่างกายเนี้ยผ่องใสหมดเลยแต่ไม่มีลมหายใจเนี้ยนะอันนี้คือความต่างผู้ที่แต่ไม่มีจิตไม่มีความคิดเหมือนเดิมไม่มีเพราะว่าดับหมดเลยก็เหมือนหุ่นขี้ผึ้งแต่ว่าผ่องใส น, นะพวกเด็กก็คิดว่าอ๋อนี่นั่งตายนี่ช่วยกันเผาเธอเนี้ยนะสงสารท่านให้ท่านมา น, นั่งตายเหงาอยู่คนเดียวได้ไงช่วยกันเผาดีกว่า ครั้งนั้นพวกเด็กเหล่านั้นก็จึงหาย้าไม้โคไม้มากองสมกายท่านพระสัชีวะเสร็จแล้วก็เอาไฟเนี่ยดดเผาแล้วก็หลีกไปจุดเผาแล้วก็หลีกไปเมื่อราตรีนั้นผ่านไปแล้วท่านพระสัญชีวะออกจากสมาบัติสลัดจีวอนนุ่งเช้ารุ่งเช้าก็นุ่งห่มจีวอนถือบารจีวรเข้าไปบินทบาทพวกคนเลี้ยงโคเลี้ยงปสัสสตว์พวกคนไถนาและพวกคนเดินทาง เห็นท่านพระสันชีวะเที่ยวบินทบาะแล้วก็พูดกันว่าท่านผู้เจริญนี้น่าอัศจรรย์แปลกประหลาดเนอสมณะนี้นั่งทำกาละแล้วสมณะนี้กลับมีสัญญาอยู่ด้วยเหตุนั้นก็เลยชื <ton> ่อว่าท่านสันชีวะพระสันชีวะก็เกิดชื่อว่าสันชีวะสันชีวะโอ้ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านมีชีวิตอยู่ขนาดเผาเสร็จแล้วยังเดินมาบินทบาะได้เลยว่างั้นมานผู้ลามกอันนี้คือพระพระมหาโมคลานะคุยกับมารอยู่นะว่ามารผู้ลามก ครั้งนั้นนะทูสีมานก็คือเขาในอดีตนั่นแหละมีความคิดขึ้นว่าเราเนี่ยไม่รู้จักการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัละยาณธรรมเราไม่รู้เลยนะว่าพวกผู้มีศีลเนี่ยที่บรรลุมรรคผลเขาคิดอะไรกันเราไม่อยู่ในวิสัยหมายาว่าปุถุชนเนี่ยยังไงก็คิดเรื่องที่พระโสดาบันคิดไม่ได้ คือไม่รู้อารมณ์ที่พระโสดาบันคิดไม่รู้อารมณ์ของพะสะกะธาคารมีอนาคามีจะรู้อารมณ์ของพระอาหารหันต์ได้อย่างไรไม่รู้ความเป็นไปไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรกันอยู่รู้ว่าท่านมีความคิดแต่ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเพรา ะ, ะเราไม่รู้วิธีมาวิธีไปของผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้เลยท่าไรเราพึงดลใจพรามและขึ้นหาบดีว่ามาเถิดพวกท่านช่วยกันดา บริภาศช่วยกันเสียดสีเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าชะนยันยภิกษุเหล่านั้นถูกพวกท่านดา่าบริภาศเสียดสีเบียดเบียนอยู่ก็พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยอาการที่ทูสีมานพึงได้ช่องมานะ้ามาช่วยกันด่าพระถ้าพระมีอาการแปลกประหลาดเสร็จเราแนะ่บางท่านก็เลยไปดลใจให้ชาวบ้านช่วยกันดา่า ครั้งนั้นทูสีมานก็ดนใจพรามหมณ์ครืหบาดีตามความคิดนั้นเพราะฉะนั้นพวกพรามค์ครืหาบาดีก็เลยช่วยกันด่าท้าภิกษุเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมน่ยนะก็ช่วยกันด่าใหญ่เลยมั้นชาวบ้านเหล่านั้นเขาด่าว่าภิกษุเหล่านี้เป็นสมณะหัวโลนเป็นครืหาบาดีเป็นข้างเป็นผู้ที่เกิดจากหลังเท้าของพรมก็ด่าเลยนะโอ้ยโลนเปล่ า, ลาๆเนี่ยนะพวกเศรษฐีหัวโลนทั้งนั้นแหละ เป็นเหมือนกัะลิงเหมือนกระข้างนอนอยู่แต่ตามป่าพวกนี้เกิดจากเท้าของมหาพรหมว่างั้นเขาเนี่ยระดับเขาเกิดจากปากใช่ไหมพวกนี้เกิดที่หลังเท้าพวกชั้นคนกรรมกรนะพวกนี้ระดับอยู่โน่นอะ่ะอยู่บนหลังเท้าอยู่แทบเท้ า, ทานะเหมือนกับว่าจะเตะก็ตายอะไรจะแบบนั้นอนะ่ะแล้วก็พากันพูดว่าพวกเราเจริญชาญเจริญชาญ เนี่ยพวกนี้ีโมบอกว่าเนี่ยพวกเราเจริญชานพวกเราเจริญชานที่ไหนได้เป็นผู้คอตกก้มหน้าขี้เกียจรำพึงซบเซาง้อยเงาเหมือนนกเขาจ้องหาหนูที่กิ่งไม้นะสรรหาธรรมดาพระนะเริ่มเหมือนอะไรพากันเนี่ยนั่งคอตกก้มหน้าเกียดคร้านรำพึงซบเซาง้อยเงาเหมือนกับสุนัขเจี้ยงจอกจ้องหาปลาใกล้ฝั่งแม่น้ํา พิสูเหล่านี้นะคอตกก้มหน้าขี้เกียจรำพึงซบเซางอยเงาเหมือนกับแมวจ้องหาหนูที่ต่อเรือนในอันรุงรังและอยากเยื่อเหมือนแมวคอยจ้องดูหนูะนะพระพิสูุน์เหล่านี้นะเป็นผู้คอตกก้มหน้าขี้เกียจรำพึงซบเซางอยเงาเหมือนกับปลาอขอายัยเหมือนกับลาที่ปลดต่างแล้วต่างก็รำพึงซบเซางอยเงาอยู่เช่นั้น มารผู ok, ้ลามกพระโมคะลานะพูดกับมารว่าครั้งนั้นพวกมนุษย์เหล่าใดทํากาละไปมนุษย์เหล่านั้นนะที่ด่าพระที่ด่าพระทั้งหลายเนี่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกโดยมากเพราะด่าเสร็จก็ตายอย่างนะเพราะว่ามนุษย์พวกไหนที่อายุไขจะสิ้นอายุด่าพระก่อนตายเนี่ยนั้นไปด่าคนมีศีลเข้าด่าคนทุศีลก็ไม่ใช่ไม่บาปนะแต่หมายว่าไปด่าคนมีศีลเข้า เขบอกว่าการไหว้ผู้มีศีลได้บุญหาประมาณไม่ได้การด่าผู้มีศีลก็บาปหาประมาณไม่ได้ฉะนั้ น, น, นก็ขุดตนก็เรียกว่าขุดขุดตนตกนรกไม่ใช่น้อยเลยตอนนั้นพระมาเนี่ยนะพระโมคคัลลานะก็เลยเนี่ยเจ็บปวดประจําเนี่ยก็เพราะกรรมเหล่านี้แหละพระโมคคัลลานะก็เล่าต่อไปอีกว่ามารผู้มีบาปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาว่ากัปปุสันทัฐอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมารับสั่งว่าพิสูจทั้งหลาย พวกพราหมณ์คือหาบดีถูกทูสีมานดนใจชักิชวนมาเถิดว่าพวกเราจะด่าบริภาษเสียดสีเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีนมีกัลยาณธรรมถ้าฉชนไหนนะภิกษุเหล่านั้นถูกพวกท่านด่าบริภาษเสียดสีเบียดเบียนอยู่พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยอาการที่ทูสีมานพึงได้ช่องภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธอจงมีจิต สหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปที่ที่1อยู่ให้เจริญเมตตาไปในที่ 1, ที่หนึ่งที่ที่สที่สที่4ก็ฉะนั้นเป็นจิตที่มีเมตตาอันกว้างขวางเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้เป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่พยาบาทแผ่ไปสู่โลกทั้งมวลโดยอ่ะแผ่ไปในที่ทุกแห่งในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเ บ, บื้องต่ำเบื้องขวางก็แนะนาให้เจริญแบบในเมตสูรนะนะผู้เจริญเมตตานั้นนะ พึงนับปรบ ป, ปรังในกบเปทะนาติมันเยทะบอกสัตว์อื่นไม่พึง ค, มค่มขูสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาไหนที่ไหนๆ ไ, ไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นนะมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกบทผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณ ในสัตว์ทั้งปวงแม่ฉันนั้นกุลบตรนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูนะนั้นกุลบรผู้เจริญเมตตานั้นเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็ตั้งสติคือเมตตาอันนี้เอาไว้เพียงนั้นนะนะไม่เผลิ แ, แล้วก็เจริญเมตตาเสร็จก็ควรกับการกรุณานะบุคคลที่เรามีเมตากับเขาเขาก็เป็นคนที่ควรกรุณาเพราะเขาเป็นผู้ที่มีความทุกข์มันเจริญกรุณากับเขาเลยนะเจริญว่าเขาเนี่ยน่าสงสารเพราะเขาเป็นผู้มีทุกข์เนี่ยนะก็เจริญกรุณาไปขอให้เขาพ้นไปจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแพ่กรุณาไปในทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่ําเบื้องขว้างไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรู แล้วก็เจริญมุทิตาเนี่ยนะที่เขามีความสุขเจริญมุทิตากับเขาที่เขาพ้นจากความทุกข์นะมุทิตากับสัตว์ทั้งหลายในทิศเ บ, บ, บ, บ, บื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเป็นต้นเนี่ยนะในทุกทิศแล้วก็เจริญอุเบกขาเนี่ยนะว่าเขาก็มาด้วยกรรมของเขาจากไปตามกรรมของเขาเจริญอุเบกขาไปในทุกทิศเหมือนกันอยู่เถิดเพราะฉะนั้นพระพิสุเหล่านั้นเนี่ยก็ เจริญเมตตาเนี่ยนะพิสูจนเหล่านั้นเนี่ยอันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระนาว่ากัดปุสันทะทรงสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้พิสูจเหล่านั้นเวลาไปสู่ป่าสู่โคนไม้เรือนว่างก็มีจิตสหรคตไปด้วยเมตตาพระพิสูจ์เหล่านั้นปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทุกประการมารผู้มีบาป น, นะนะพระมหาโมคคลานะเล่าให้ฟังนะก็คื อ, คอเล่าไปเรียกเชื่อไปเนี่ยนะ เรียกชื่อบอกมารผู้มีบาปครั้งนั้นทูสีมานก็มีความคิดว่าเราทำอยู่ถึงอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้ความมาหรือความไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมท่าอะไรเราพึงชักชวนพราหมณ์และขรหาบาดีคือลองดูแล้วนะช่วยกันดา่าเราก็ไม่รู้จากท่านว่าท่านเป็นอะไรกันเพราะท่านก็เจริญพรหมหารกันเต็มที่ก็ไม่รู้ทางมาทางไปของท่านอีกเอางี้ดีกว่า อันนะครั้งที่แล้วชวนให้ชาวบ้านด่าครั้งนี้ชวนให้ชาวบ้านสักการะก็เลยคิดว่าเอานะจะไปชวนชาวบ้านว่าพาเอเทินท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเชิดฉะไหนนะถ้าภิกษุเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถืออยู่มีจิตเป็นอย่างอื่นหมายว่าถูกลาบสักการะครอบงำโดยประการที่ถูสีมานจะได้ช่องมานผู้มีบาปก็ได้โอกาส คิดสแสวงหาโอกาสเอางี้ก็การเรียกว่าขุนด้วยลาบสการะให้เต็มที่เดี๋ยวใจจะเป็นอื่นเสร็จเร า, งา้งมารู้มีบา ค, ครั้งนั้นแลทูสีมารก็ชักชวนพราม์ครือหาบดีเหล่านั้นว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสการะเคารบนับถือบูชาพิสูจนทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเถิด แม้ฉนัยพิสูุเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสการะเคารพนับถือบูชายู่พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยประการที่ทูสีมานพึงได้ช่องดังนี้มานผู้มีบาปครั้งนั้นพรามหมเคฤหาบดีเหล่านั้นถูกทูสีมานชักชวนแล้วก็พากันสการะเคารพนับถือบูชาพิสูุ์ทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม มารผู้มีบาปสมัยนั้นแหลมนุษย์เหล่าใดกระทํากาลละไปมนุษย์เหล่านั้นเมื่อกายแตกตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยมากกันนะเพราะว่าชมผู้มีศีลบูชาท่านผู้มีศีล น, นะช่วงไหนที่ด่าตําหนิผู้มีศีลช่วงนั้นก็ตกดรกกันมากหน่อยช่วงไหนที่บูชาผู้มีศีลก็โดยมากก็ขึ้นสวรรค์เมือนกันมารผู้มีบาปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากากุสันทะเนี่ยนะ ผูเป็นพระอรหันตสตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเรียกพิสูุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิสูุ์ทั้งหลายพวกพรามหมณ์คฤือหบดีอันทูสีมานเนี่ยชักชวนชักชวนชาวบ้านว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิสูุ์ทั้งหลายผู้มีศีลมีกลัลยาณธรรมเถิดแม้เช่นไหนเมื่อพิสูจนเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถืออยู่ก็พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยประการที่ทูสีมานพึงได้ช่อง ภิสษุทั้งหลายพระองค์ก็สอนนะสอนพระพิสูุ์ว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นภายในกายว่าไม่งามมีความสาคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลนะมีความสาคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่เถิดก็บอกว่านี่เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนอริยริษ์ อริยริทเนี่ยหมายความว่าเห็นสิ่งที่ไม่สิ่งที่ปฏิกูลต้องให้เจริญว่าไม่ปฏิกูล น, นะเช่นว่าถ้าหากว่าถูกดา่มามากสมัยที่เธอควรจะอยู่ด้วยเมตตา น, นะเธอสมัยเป็นสมัยที่จะควรอยู่ด้วยเมตตาเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยพรหมิหารตลอด นะเพราะอะไรเพราะถูกด่าตลอดเนี่ยนะ่ะคิดเป็นอื่นเนี่ยก็มานได้โอกาสนะมานคือกีเลตมานได้ช่องก่อนให้อยู่ด้วยเมตตานะทีนี้ถ้าหากว่าตรงกันข้ามมานเข้าให้มาบูชาสักการะเคารพกราบไหว้มากๆขึ้นเพื่อจะได้อ่ไม่ได้ทำด้วยเจตนาดีเนี่ยนะแฝงด้วยความชั่วร้ายอยู่ภายในอ่พระองค์ก็บอกว่าเอางี้นะเธอทั้งหลายจงเจรณาสุภาเถิดก็1สองเธอทั้งหลายเจริญอาหารเรปฏิกลสัญญาเถิด ข้อเธอทั้งหลายเจริญสัพพะโลเก อ, อนาภิรตสัญญาความที่โลกทั้งมวลไม่น่าเพลิดเพลินเถอร์แล้วก็อย่างที่4เธอทั้งหลายเจริญอนิจจานุปัสนาอยู่เธอร์เจริญอนิจจสัญญาอยู่เธอร์อันนี้เขาบอกว่าเมื่อสิ่งที่เรียกว่าไม่ปฏิกูลทุกอย่างน่าพอใจหมดเลยเพราะลาบสการะสรรเสริญชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะที่เขามารบบูชาหน้าเพลิดเพลินให้เธอให้เ ธ, เธอเจริญอสุภาพให้มาก จเจริญอาหาเรเยปฏิกูลให้มากจเจริญสัพพะโลเกียนพิรตะสัญญาให้มากจเจริญอนิจจสัญญาอยู่เถิดมามาดูก่อนมาผู้มีบาปภพิกษุเหล่านั้นอันผาา้าหันตัสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะ ทรงสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้เพราะนักพิสูุเหล่านั้นไปสู่ป่าโคนไม้เรือนว่างก็เจริญก็พิจารณาเห็นกายว่าไม่งามด้วยอสุภะพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารด้วยอาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาเห็นว่าโลกทั้งปวงไม่น่ายินดีด้วยสัพพะโลเกอนาิรตสัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงสัพพะสังขารเรโซอนิจจสัญญานีนะ ดูก่อนมารผู้มีบาปครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาวะกะกุสันทะผู้เป็นพาหันตสัมบาสัมพุธเจ้าครองสบองถือบาทและจีวรมีท่านพระวิธุระเป็นปัจชาสมณนะมีพาหันตสาวอ克拉สาวกข้างขวาในเดินตามเสด็จเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบินถวายดูก่อนมารผู้หลามกครั้งนั้นทูสีมารก็เข้าสิงเด็กคนหนึ่งนะพระโมคคลานะเอ๊บ อดีตชาติของท่านเนี่ยนะฮะช่องจะเล่นงานพระพุท ธ, ทธเจ้าหาช่องที่จะเล่นงานสาวกใครจะคิดนะว่ากลับเดียวกันนี่จะมาเป็นอักขระสาวกใช่ไหมเพรา ะ, ะพระโมคคลลานะประวัติของท่านมีแต่คนมาหาเรื่องว่าถามั่าทาไมก็เกิดมาคือหาแต่เรื่องกับเขาในอดีตอ่ะนะมันก็กรรมมสโกมหิเนี่ยนะตามสมควรแก่กรรมทำอย่างนั้นแต่ก็ ตอนที่ท่านเป็นพระรหารแนละ้วท่านก็ไม่ไม่หวั่นไหวนะแต่ว่าชาติเนี่ยที่ไปหาเรื่องพระพุทธเจ้าหาเรื่องพระอัครสาวกเนี่ยนะมันวันหนึ่งแล้อยากจะแกล้งพระ ก, ก็ทำไงดีก็เข้าสิงเด็กคนหนึ่งแล้วเอาก้อนดินคว้างศีรษะท่านพระธุระเนี่ยศีรษะแตกนะจับก้อนหินปลาซะหัวแตกเลยฮนะดูก่อนมารผู้มีบาปครั้งนั้นท่านวิธุระศีรษะแตกเลือดไหลเดินตามสเสด็จ พ, พระผู้มีพระภาคอ่า อรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะโกสันทะตามไปข้างหลังหัวแตกเลือดอาบนี่แหละเดินตามพระพุทธเจ้าต่อไปดูก่อนมานผู้มีบาป พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะโกสันทะชำเลืองดูเหมือนช้างชายตาดูมาณก็ว่าเหลือบตาดูสันหน่อยแล้วพระค์ก็ตรัสว่าทูสีมานเนี่ยไม่รู้จักประมาณเลย นะประองตัดพุทธพจน์คำเดียวแล้วแหละดูก่อนมานผู้มีบาปและทูสีมานเคลื่อนแล้วจากที่นั้นจุติจากปรณิมมิต่วะสวัสดีทันทีเข้าถึงมหานรกพร้อมด้วยกิริยาที่ชำเรืองดูไม่ได้โกรธนะหรือเออไม่รู้ประมาณเลยเนาะคือคื อ, ค อ, คอกรรมที่ทำกับพระอัครสาวกเนี่ยมันรุนแรงมากนะเจตนาตัวนั้นมันหยาบชามากไม่สา ม, มารถรักษาสวรรค์สมบัติเอาไว้เลยจุติจากสวรรค์ตกนรกทันที ไม่ใช่พระองค์โกรธนะพระองค์ไม่ได้โกรธเลยก็เหลือบตาดูเออเนาะไม่รู้ประมาณตัวเลยแปลว่าไม่รู้จักสงสารตัวเองบ้างเลยนี่แล้วก็ตกนรกเลยดูก่อนผู้มีมารผู้มีบาปก็มหานรกนั้นแลชื่อว่าฉะภาษายตนิกะแปลว่าอะไรฉะภาษายตนิกะแปลว่าเห็นทวารตาก็เลวร้ายหมดได้ยินทวารหูก็มีแต่ความเลวร้าย คิดนรกง่ายๆมันจำง่ายๆว่านารกเนี่ยนะทะวารตาก็เลวร้ายหมดทวารหูก็เลวร้ายทวารจมูกก็เลวร้ายทวารลิ้นก็ยิ่งเลวร้ายทวารกายเจ็บปวดทุกอนูทวารใจจะมีเรื่องอะไรมันดีบ้างเขาบอกก็เลยเรียกว่าฉะภาษาฉะภาษาจิติกะหมายว่ามีแต่ความเจ็บปวดอย่างเดียวสังอ่าก็เรียกว่าสังกุสมาหัตตะ ปัจจะตะเวทนิยากกะแปลว่าเป็นความเจ็บปวดที่รู้เฉพาะตัวจริงๆแบ่งความเจ็บปวดอันนี้ให้ใครไม่ได้ยาแก้ปวดช่วยไม่ได้เพราะงั้นนะปวดลึกซึ้งมา ก, กนะนะดูก่อนมารผู้มีบาปครั้งนั้นพวกนายนิรยาบาลเข้ามาหาเราปราะมาณที่มารผู้นั้นใช่ใครที่ไหนกว่าเรานี่แหละนะบอกว่าเมื่อใดแ ล, ลแล้วแล้วและก็ลาวเหล็ก กับเหลาเหล็กเนี่ยมารวมกันที่กลางหะไทยของท่านเมื่อนั้นท่านเพิ่งรู้ว่าเราไม่อยู่ในนรกพันปีแล้วมายก็เขาปักเหลาเหล็กตั้งกั บ, ต, กบตั้งกับข้างหัวข้างท้ายแล้วมันจะค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนเคล่อนมาเรื่อยๆถ้ามันมารวมกันที่อกเมื่อไหร่นะพันปีอะ แ, แล้วไม่ใช่ครั้งเดียวทีนะดูก่อนมารผู้มีบาปเรานั้นแหลมหมกไม่อยู่ในนรกนั้นน่ะหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี และหมกไหม้อยู่ในอุตสุธานรกบริวารของมหานรกนั้นและอีกเสวยทุกขเวทนานหนักกว่าก่อนอีกหนึ่งหมื่นปีนะเจ็บปวดต่ออีกหมื่นปีนะอยู่ในมหานรกหลายพันปีแล้วบริวารอีกหลายหมื่นปีมีศีรษะเหมือนศีรษะมนุษย์นะเขาบอกว่ามีศีรษะเหมือนศีรระมนุษย์ก็มีมีศีรษะเหมือนศีสระปลาก็มีแปลว่าถูกทุบหัวประจําเลยเพราะอะไรเพราะว่าแอบเอาก้อนเหินปลาศีรษะ ผาอารหันต์เนี่ยนะอันนั้นมันเจ็บนะโอ้ยใครยังมีบุญได้ทำขนาดนั้นเลยนะเวลาบาปมันให้พ้นเนี่ยนะนเจ็บปวดมากเลยนะตกนรกเป็นหมืนม่นๆปีดีว่าสั่งสมบุญในอดีตชาตินะนะสร้างความปรารถนาไว้จริงๆก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยพยากรพระโมกขลานะแล้วว่าบางองค์นี่พยากร บ, บอกท่านพ้นจากนรกและจะมาเป็นพระสาวกผละะความที่ท่านจะชอบทากรรมอะไรประเภทโหดๆอย่างนี้แหละ แต่ก็บุญก็ทําอ่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าบาปก็ไม่เลิกอะ่ะมันมาชาตินันก็ทุบแม่อีกนะนอีกชาติหนึ่งอ่ะนะชาติหลังนั้นมาก็ทุบแม่ทุบแม่ก็กลับอ่าเรียกว่าจากนรกสูน่นรกเนี่ยนานแล้วก็ถูกเขาทุบตายเนี่ยติดติดกันมาอย่างชาติที่เป็นธรานมหาโมคคลานะถูกทุบครั้งที่ร้อยเนี่ยน ะ, ะถ้าถ้าไม่ปรินิพานก่อนเนาอีกหลายชาติโอยบางอย่างนะทําครั้งเดียวก็เกินพอแล้วใช่ไหม กินตลอดไปเรเคยเห็นมาโบราณก็บอกปลูกมะม่วงปลูกขนุนปลูกไว้เม็ดเดียวที่เหลือกินขนุนชั่วลูกชั่วหลานเค่นั้นนะบาปทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันะนะ มันปลูกต้นบาปไว้ในใจครั้งเดียวแค่นั้นน่ะกินตลอดชั่วลูกชั่วหลานเลยมั้งั้นหลายภพหลายชาติเพราะนั้นบาปนี่ก็น่ากลัวอย่างผู้ที่สวยผลบุญเนี่ยนะสวยผลบุญเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนกลางวันผลบุญก็อุปธรรมตามไปเรื่อยเลยแต่ถ้าผลบาปแทรกเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนขณะเดียวกันถ้าผลบาปมันให้ผลมันก็มีแต่ความเดือดร้อนบุญจะแทรกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเนี่ยนะมันเจตถามว่าโลกนี้อะไรน่ากลัวที่สุดก็คือ เจตนาก็นึกว่าอยากเป็นใหญ่เช่นกับพย ม, มานเข้าถ้าเป็นใหญ่ที่เป็นพย ม, มานช่วงที่มีผ้าอรหันต์แบบนี้เนี่ยโหอันตรายมากก็คือมานเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยขี้มันไส้ไปทุกคนไปหมดเนี่ยนะนี่เป็นมันไส้ผ้าอรหันต์เข้าเลยเดือดร้อนเลยครับเนี่ยพระโมคคัลลานะก็ตรัสไปอ่ากล่าวเป็นคาถาว่าทูสีมานคืออดีตชาติของท่านเนี่ยนะปทุสรายพระสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่า กะกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นไรทูสีมานปทุสรายสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่ากะกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นนี้อลเล่าให้ฟังว่าสภาพของนรกเป็นยังไงเนี่ยนะแต่ไม่ต้องไปนะได้ยินได้ฟังเอาไว้เฉยๆก็พอบอกว่ามีเหลาเหล็กเนี่ยร้อยหนึ่ง ลเลาเหล็กเนี่ยนะเป็นร้อยว่างั้นแต่เคยเห็นก็โอ้ปิ้งปลามันหลาเดียวใช่ไหมอันนี้มันแบบมันเสียบยิ่งกว่าเป็นร้อยร้อยอันนะนะล้วนแต่ให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเคยเห็นคิดงไก่ถูกเสียบนะเคยเห็นไก่ไก่มุนไหมคล้ายๆแบบนั้ น, น, นไก่เสียบแล้วก็มุนมุนมุนมุนไปอันนั้นแล้วเสียบเป็นร้อยๆเนี่ยนะมันจะมุนไปยั ง, งยไงไม่ทราบมันก็ล้วนแต่ให้ความเจ็บปวดไอไก่นั้นมันไก่ตายเขาอย่างชั่วนะถ้าไก่เป็นเนี่ยมันจะเจ็บปวดขนาดไหนไม่ตายอะ่ะ มันสัมผัสตรงไหนก็แล้วไม่ใช่ไม่ไม่ถูกปิ้งเนี่ยนะถูกปิ้งก็บอกว่าไอไฟที่เขาปิ้งไก่เนี่ยนะมันไม่ถึงร้อองศาถึงไหมเพราะเขาต้องลดเอาเอาขี้เถ้าเอาอะไรบ้างไปลดลดนะนะเขาเขาเอระบายความร้อนใส่เข้าไปเข้าไปเข้าไปถ้าไฟมันแรงมากก็ไหมแต่อันนี้เป็นหมื่นองศานี่สิตรงไหนบางที่ไม่เจ็บปวดนั้นอย่าไปเลยเนี่ยนะถึงมีญาติก็อย่าไปเยี่ยมไม่ต้องไปหรอกอ ภิกษุใดผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักนรกนั้นนะพระอรหันต์พระโมคคัลลานะเนี่ยไปเที่ยวนรกบ่อยนะนะท่านไปที่นรกบ่อยหมายว่าไม่ได้ไปเนี่ยนะไปเพื่อให้สัตว์นรกมีศรัทธาบ้างจะได้เป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปในอนาคตแล้วก็กลับมาเล่าให้พวกญาติฟังว่าจะได้ทําบาปนะญาติของท่านคนนั้นอยู่ที่นั่นนะเขาฝากข้อความมาว่าอย่างนี้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเรารู้จักนรกนั้นดูก่อนมารมารผู้ประทุสร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักวิมานทั้งหลายตั้งอยู่ท่ามกลางสระมีความตั้งอยู่ตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไพลทูลมีความรุ่งเรืองมีรัศมีโชคช่วงเป็นประพัดสอนพวกนางอับซรมีสีต่างๆกันเป็นอันมากฟ้อนรําอยู่ที่วิมานเหล่านั้นดูก่อนอภิกษุใดผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานนั้นดูก่อนมาร ถ้าหากว่าท่านประทุสร้ายผู้รู้จักก็คื อ, คอหลานเนี่ยนะถ้ามาประทุสร้ายลุงเนี่ยเดือดร้อนแน่หัวงันจะประสบะจะประสบทุกอย่างหนักแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการเล่ารายละเอียดว่าพระโมคคลานะเนี่ยท่านท่านทำอะไรบ้างนะก็คนพาลคนพาลเนี่ยนะมาเข้ากองไฟที่กําลังลุกโชนย่อมเดือดร้อนอยู่ว่า ไฟย่อมไม่คิดจะเผาเราแต่เราย่อมเผาตนผู้เป็นคนพาลเองมาไฟเนี่ยนะเคยคิดจะไหม้ใครไหมไม่แต่ทําไมคนพาลอะ่ะเข้าไปในกองไฟให้ไฟไหม้มานท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าถ้าหาว่าท่านเบียดเบียนนะท่านต้องประสบบาสมิใช่บุญเป็นอันมากท่านอย่าสําคัญว่าบาปไม่ให้ผลแก่เราหรือหนอการกะชนที่สั่งสมบาปหรือว่าผู้สั่งสมบาปย่อมอดครวนตลอดกาลนาน ท่านเบื่อหนายพระพุทธเจ้าท่านอย่าได้ทําความหวังซึ่งความพิราษแก่พิสุทั้งหลายเลยอันนี้เป็นคำที่พระโมคขาลานะคุกคามพยามาแต่ก็เล่าว่าเร า, าเมื่อพุทธันดรที่หนึ่งนะพระพุทธสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุกสันทะนั้นพระโมคขาลานะก็เสงให้คนทําบุญก็ได้บุญเหมือนกันนะไอตอนที่แทรกให้คนทําบาปนี่ก็บาปไม่ใช่น้อยแล้วก็เสงเด็กแล้วก็ปาก้อนหินเนี่ยนะเพราะว่า เทวดาเนี่ยสิงมนุษย์ได้นะสิงได้แล้วว่าสิงเอามาทำบาทนี่ใช่เดือดร้อนเลย